กราบขออกาสพระจันทรย์ทรงศิลป์กราบขออกาสพระจันทร์ปันนชัยของกาสเพื่อนสาธมิกแล้วก็เจริญพรมาไม่ฉีเนะแล้วก็พวกเราอุบาสกบาสิกาวันนี้เมื่อเช้าก็ก่อนออกจากกุดกระดูกอุณหภูมินะ <c oughs> ก็วันนี้กับว่าวานถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนะ ถ้าสัญญายังพอใช้ได้อยู่ก็เท่าๆกันแต่ว่าวันนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกเนาะว่ามันเ็าเรียกว่ามันไม่หนาวเท่าเมื่อวานเมื่อวานหนาวกว่านี้ <c oughs> ก็อุ่นขึ้นนิดนึงแต่จริงๆมันเป็นเพียงแค่ก็เรียกว่าสัญญาที่ไม่เที่ยงนะเพราะว่ามันเหมือนกับเมื่อวานนี้มันก็ผ่านไปแล้วเนาะ วันนี้มันก็เป็นอีกวันหนึ่งเมื่อวานร่างกายเราก็อาจจะสัมผัสความเย็นอย่างนี้มาทั้งวันพอเวลาที่วันนี้อีกครั้งหนึ่งก็เออก็ออยังชั่วขึ้น <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ <c oughs> เป็นแบบนี้สัญญาไม่เที่ยง <c oughs> ก็เราก็ใช้นะก็เรียกว่าเราก็ใช้มันแต่ถ้าเราจะยึดติดว่าอา้าวเมื่อวานนี้มันก็แปดองศา เองศาอย่างนี้ทําไมมันไม่หนาวเท่ากัน น, นั้นเขาเรียกว่าเราติดเรายึดมันก็เกิดเอเออารแม้กระทั่งในตัวเราเองก็ยังเถียงกันเองทะเลาะกันเองนะว่าเอา้าทําไมความรู้สึกเรามันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นก็เกิดยึดมั่นถือมั่นแบบนี้ก็จะต้องเถียงกันฉันมีความรู้สึกว่ามันเย็นเท่าเมื่อวานเย็นกวเมื่อวานฉันว่าไม่ใช่อะไรต่างๆเหล่านี้ ใช่ไฮะคือ น, นี้นี่คือเรื่องที่คือถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เชื่อธรรมชาติแล้วก็ไม่เชื่อปัจจุบันเราเหมือนกับว่าไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็เกิดความขัดแย้งนะเพราะว่านั่นคือถ้าเราถือความเห็นของเราเป็นความถูกต้องเนาะแต่ความถูกต้องไม่ใช่ความจริงเมื่อความถูกต้องไม่ใช่ความจริงถ้าเรายุดความถูกต้องเป็นความถูกต้อง มันจะต้องเป็นอย่างนั้นความถูกต้องมันก็เริ่มไม่ดีงามแต่ความจริงมันเป็นสิ่งที่ดีงามงั้นบางทีเรายึดความถูกต้องกันแต่ว่าความถูกต้องไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นความดีความงามตรงนี้เราเองเราก็ต้องแบ่งแยกเนาะบางทีก็อาจจะต้องอาศัยเราก็เรียกกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าความถูกต้องบ้างแต่ก็คืออาศัยเป็นเพียงแค่อาศัยบางทีเราก็ต้องเหมือนกับว่า คล้ายๆว่าเขาลบธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่เป็นความดีเป็นความงามตรงนี้เนี่ยชีวิตของเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีธรรมเนาะเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้ชีวิตเราก็จะสับสนเดี๋ยวเราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็เห็นว่าเป็นอย่างนี้สิ่งที่เห็นก็จริง แต่หลวงพ่อบอกว่าไม่จริงอันนี้หลวงพ่อก็มาเขียนพูดนะสิ่งที่เห็นน่าจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของจริงว่าไงเพราะนะมันไม่มีตัวไม่มีตน <c oughs> มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปใช่ไหมอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจริงนะ <c oughs> แต่ตอนนี้มันอาจจะไม่มีอยู่เหมือนดาวหางเนาะ ปุ๊บเดียวแล้วก็ดับไปเนาะบางทีมันก็เกิดขึ้นน า, นานแต่มันก็ท้ายสุดก็ดับไปท้ายสุดก็หายไปไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติเนาะสิ่งที่คิดเอาก็ไม่เป็นจริงเย็นพอเย็นอย่างนี้ เออเนาะข้างนอกกายเราผิวสัมผัสเราก็เย็นกับอากาศข้างในกายเราก็กล้ามเนื้อมันก็เกร็งตัวอย่างนั้นมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในกายเนาะอย่างเงี้ยกายเราก็เหมือนบ้านเราใช่ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็มีไอ้นูน้นไอ้นี่อยู่ในบ้านบ้างเดี๋ยวก็มีสีถลอกอยู่นอกบ้านบ้างอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เรียกว่า พิจารณาเห็นกายเนาะแล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นอยู่เห็นอยู่ในกายจะเป็นข้างนอกบ้านก็ดีข้างในบ้านก็ดีจะเป็นนอกร่างกายเราก็ดีจะเป็นในร่างกายเราก็ดีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเรากาลังเขาเรียกว่า <c oughs> เรากาลังเห็นธรรมชาติเนาะธรรมชาตินอกตัวเรากาลังเห็นธรรมในตัวเรา เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆที่เราเห็นด้วยตาข้างนอกนอกข้างนอกนกตัวเราอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของคนนั้นคนนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้นั้นต้นไม้นี้เป็นธรรมชาติของอสายลมแสงแดดต่างๆนานาเหล่านี้อันนั้นเราก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติของเขาแต่พพ BO ว่าพอเรามองกลับมาด้วยสตินะ ตาเราก็จะไม่เห็นทั้งหมดละสติจะเห็นเห็นอะไรเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเราเราก็จะแยกอย่างนี้ธรรมชาติคือสิ่งนอกตัวที่เกิดขึ้นแต่ธรรมะคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตัวเรานั่นั้นคือตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นธรรมเนาะไม่ได้หมายถึงว่าเราเห็นด้วยดวงตาอันนี้ แต่ว่าเราจะเห็นธรรมด้วยสติที่มองกลับเข้ามาเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายเราจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายก็ดีจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็ดีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเรากําลังเขาเรียกว่าดูดูธรรมะเนาะอดูธรรมะด้วยตาสติหรือตาพิเศษแต่ว่าทำหนองเดียวกันเราก็เห็นธรรมชาติด้วยตาของเรา จะสั้นบ้างจะยาวบ้างจะเป็นตาต้อบ <uniform> ้างจะตาเขบ้างอะไรเราตาทนานตรงนั้นก <ations> ็เนาะก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะฮะก็ให้เราได้แยกแยะกันแบบนี้เราเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแบบไหนเราเกี่ยวข้องกับธรรมธรรมะที่มีอยู่ในตัวเราแบบไหนกันอะไรเงี้ย นั่นคือตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนเพียงแต่ว่าธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเหมือนกับชีวิตเราอาจจะไม่เคยเห็นเพราะเนื่องจากว่าเราลืมตาตื่นขึ้นมาหรือว่าตั้งแต่เราลืมตามองดูโลกมันก็มีสิ่งที่แปลกเปลี่ยนไปต่งตางๆนานาผ่านสา ย, ายตาเราเยอะแยะไปหมด มันก็น่าสนใจเนาะใจเรามันก็ใช่ฮะเดี๋ยวมันก็กระโดดไปต ร, ตรงนู้นตรงนี้บางทีแอ บ, บขึ้นมามาเอา้าเห็นเนาะอย่างนี้ตาเรามันก็ใช่ไหมไปกระทบใจเราก็สนใจใจเราก็วิ่งไปทางตาบางทีเสียงดังขึ้นมาใช่ไหมเอาใจเราก็วิ่งไปทางหูบางทีกายสัมผัสมันเด่นขึ้นมาใจเราก็วิ่งไปตรงนั้นอะไรเงี้ย ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าในขณะที่ตาเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นหูได้ยินกายสัมผัสตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของรูปพอเวลาที่ใจเราไปรับรู้สิ่งที่เห็นว่าไม่เห็นน่าสนใจเลยหูได้ยินโอ้อันนี้เพราะดีเนาะหรือ อ, นนอะไรต่างนานั้นใจก็พอใจอย่างเนี้ย คือตรงนี้มันก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นในใจเราถ้าเกิดว่าเราเห็นเนะด้วยตาแล้วก็เห็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจเราพร้อมๆกันก็เรียกว่าเห็นรูป ก, ก็เห็นธรรมไปด้วยเนาะอย่างเงี้ยงั้นตรงนี้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าถ้าเราฝึกเนาะเราก็จะใช้ตาทั้งสองตาพร้อมๆกันเนาะใช้ ประสาทสัมผัสที่มีอยู่กับกายเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะกับกายด้วยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจด้วยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรี ย, รยกว่าเราก็จะใช้เขาเรียกว่าใช้อายตนะที่เรามีเนาะกับใช้สติที่เรามีไปพร้ อ, รอมๆกันตรงนี้มันก็จะทําให้เราเขาเรียกว่ารู้ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราก็จะรู้ได้ยังไงเราก็มีสติพร้อมนะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ก็คือเราอาศัยความเคลื่อนไหวของกายเป็นตัวที่จะทำให้เราแบบว่าจเจริญสติกันถ้าเราอาศัยเนความเคลื่อนไหวของกายที่มีกันอยู่อย่างที่เราสร้างทำกันขึ้นมาเป็นการเคลื่อนไหวสิบจังหวะเนี้ย ก็จะเป็นครั้งวินาทีหนึ่งเราก็ได้เจริญสติใช้สติครั้งหนึ่งวินาทีหนึ่งเราก็ได้ใช้สติครั้งหนึ่งตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราก็กำลังหัดใช้หัดใช้อะไรก็ตามหัดใช้เป็นประจำก็จะคล่องขึ้นคล่องขึ้นความพยายามในเบื้องต้นนะหัดใช้ก็ใช้เป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะอาจจะเกิดความพอใจไม่พอใจแรงต่า น, น่าหนาเหล่านี้ พอเวลาที่เราเหมือนกับว่าเห็นข้อดีของตรงนี้เนาะถ้าเหมือนกับว่าจุดประสงค์ของชีวิตเราเราก็อยากรู้ทำเห็นทำอย่างนี้เนาะเพราะนื่องจากว่าการรู้ทำเห็นทำจะทําให้ชีวิตเราเขาเรียกว่าทุกข์น้อยลงเราจะอยู่กับโลกนี้เนี่ยยังมีความสุขขึ้นเียตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกับว่า เราก็จะเพียนเพียนทำยุ่งยากบ้างเนาะแบบว่าทำอะไรไม่รู้บ้างมีความคิดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ยุ่งยากทางความคิดบ้างเนาะเรื่องกายมันก็ยังไม่คล่องแคล่วบ้างอะไรต่างๆนาๆนาก็เพียนทำกันไปแล้วพอเพียนทำกันไปเพียนทำกันไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มตรวจวัดเนาะสิ่งที่เราปรารถนา เ, นเราปรารถนาที่จะให้เราเหมือนกับว่า โอ้ไอ้คำวมารู้ทามันเป็นแบบไหนเนาะอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมเงี้ยตรงนี้เราก็อาจจะค่อยๆรู้มากขึ้นอย่างนั้นผ่านการที่เราเขาเรียกว่าผ่านการที่เราอาศัยความเคลื่อนไหวเป็นตัวที่เราอาศัยเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเจริญสติกันหลวงพ่อเทียนก็อาศัยแบบนี้เนาะนะอาศัยความเคลื่อนไหวอย่างเดียวเนาะ เป็นตัวที่เจริญสติหลวงพ่อเทียนก็เคยอาศัยเขาเรียกว่าการบริกรรมบ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้บ้างพอหลวงพ่อเทียนทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเอ้มันเร็วนะมันเร็วรู้เร็วอย่างเนี้ยนั่นนั้นคือพอหลวงพ่อเทียนเข้าใจทำรู้ธทำเข้าใจทำหลวงพ่อเทียนก็ถ่ายทอดมาสู่ลูกศิษย์รุ่นหลังๆซึ่งตรงนี้เองหลวงพ่อคําเขียนก็ได้มองเห็นอานิสงส์เนาะของการเคลื่อนไหว อาศัยความเคลื่อนไหวเป็นตัวเจริญสติเนี่ยหลวงพเทียนเอ้ยหลวงพ่อคําเขียนก็เหมือนกับว่าก็มุ่งมั่นที่จะสร้างสุกโตขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมสี่กว่าปีผ่านมาพวกเราก็ได้รับอนิสงส์อันนี้เนาะก็ได้อาศัยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่หัดเรียกว่าหัดเจริญสติกันแล้วก็ถ้าพวกเราสังเกตตัวเองการที่พวกเรามาอยู่ในวัด อาทิตย์หนึ่ง <tahun> ก็ด <derni ers> ีเดือนหนึ่งก็ดีปีหนึ่งก็ดีเนี่ยเราก็จะพบว่าไม่มากก็น้อยเนาะเราก็มีสติกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นมีสติกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเรามากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันก็เป็นไปเองถ้าเราหัดอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราเพียรที่จะหัดอะไรเนาะอย่างตั้งอกตั้งใจเนี่ยเราก็ เก่งขึ้นเก่งขึ้นเนาะนึกถึงตัวเองเนาะอย่างสมัยก่อนนี่แบบเรียนหนังสือเนี่ยก็ชอบชอบขียนชอบเขียนเนาะตั้งแต่เล็กเนี่ยคือคำว่าชอบขียนชอบเขียนนี่ก็ชอบขียชอบเขียนจริงจรงจนกระทั่งหนังสือหนังสือเรียนไม่ใช่สมุดนะหนังสือเรียนมันก็จะมีตัวพิมพ์ใช่ไหม อยู่ในหน้าหน้าหนึ่งแต่มันก็มีที่ว่างๆเนาะข้างบนข้างๆ้างข้างล่างเนาะเราก็อาศัยที่ว่างๆตอนนั้นเนอะขีดขีดเขียนเขียนขีดขีดเขียนเขียนเขียนแล้วปรากฏว่าพลิกไปพลิกไปนะหน้าก็เต็มเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเต็มไปด้วยรูปที่เราเขียนหน้าแล้วหน้าเล่าหน้าแล้วหน้าเล่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า ทุกครั้งที่เราขีดเราเขียนลงไปรูปมันอาจจะไม่สวยเท่าที่คนอื่นคนอื่นเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีประสบการณ์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยการยกมือของเราเนาะเราอาจจะยกเงีงเงี้ะบ้างเนาะแต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้อันนี้มันเงินงเงี้งะนะอันนั้นสติก็รู้แล้วเนาะถ้าเรายกครั้งนี้มันเร็วไปบ้างเราก็รู้ว่าอ๋อนีมันเร็วไปนะ สติก็รู้แล้วถ้าเรารู้ว่าโอ้ยกอันนี้มันฝืนๆนนะอันนั้นสติก็รู้แล้วเพราะนั้นั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาใจใส่เนาะกับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเนาะมันจะช้ยยยาก็ดีมันจะเร็วก็ดีช้าก็รู้ว่าช้าเร็วก็รู้ว่าเร็วเงอะงะก็รู้ว่าเงอะงะติดขัดก็รู้ว่าติดขัดผิดก็รู้ว่าผิดเนาะถูกก็รู้ว่าถูก ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าสติก็ทำงานทั้งหมดแล้วนั่นนั้นคือที่ตรงนี้เนี่ยหนูว่ามเขียนจะบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะนั่นคือมีแต่รู้ผิดก็รู้ว่าผิดผิดแล้วเป็นยังไงผิดก็แก้ไขมันถูกต้องดีกว่าที่จะต้องผิดแล้วก็ไม่รู้เนาะผิดไม่รู้ก็ต้องคนอื่นเตือนเอานี่ทําผิดอยู่ไม่รู้ตัวหรออะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้น นั่นคือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าหลงทําผิดไปโดยไม่รู้ตัวแต่ที่นี่เนาะผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเพราะเพรานื่องจากว่าเราก็มีความตั้งใจเนาะที่จะคอยดูความเคลื่อนไหวของเราโอ้นี่มันผิดจังหวะนะพอเราโอ้นี่มันผิดจังหวะนะไม่มีอารมณ์เสียเนาะใช่ไหมไม่ใช่ว่าตายละผิดอีกละอย่างนี้เขาเรียกทุกเนาะแต่โอ้นี่ผิดนะเราก็แก้ไขซะอย่างเงี้ยจิตใจเราก็เปลี่ยนไป ต่างไปตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราก็จะดูเนาะเรียกว่าเราก็จะดูสิ่งต่ตางๆที่เกิดขึ้นแบบนี้ทําแบบนี้จิตใจเราเป็นปกติดีทําแบบนี้จิตใจเราเป็นทุกข์อย่างนี้เนาะอยนั้นก็เก็บรวบรวมสิ่งต่ตางๆนานาเหล่านี้เอาไว้แล้วเราจะเลือกแบบไหนเราจะเลือกแบบที่มันเป็นทุกข์หรือจะเลือกแบบที่มันไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า พอเราค่อยๆเนาค่อยๆทําไปค่อยๆพิจารณาไปไม่เอาสิ่งที่เขาเรียกว่าตานี้เห็นหูได้ยินมาเป็นสารณะอะไรมากมายแต่ว่าเรามีสติคอยดูความเป็นไปในกายเราในใจเราตรงนี้เนี่ยเราจะค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเราเองปรับเปลี่ยนตัวเราเองจะคนที่อยู่ความหลงแล้วก็ไม่รู้ว่าทําผิดหรือทําถูกอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆ แยกแยกได้ว่าอ๋อนี่อันนี้เนาะทําอย่างนี้จะไม่ทุกทําอย่างนี้จะทุกอย่างเนี้ยอันเนี้ยก็เรียกว่าเราก็จะค่อยๆก็เรียกว่าก็เรียกว่าเข้าใจเนะก็เรียกว่าค่อยๆเข้าใจทำทำที่เกิดขึ้นในใจเราในกายเราต่า ง, างนนๆนานะเหล่านี้เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะสิ่งที่เกี่ยวข้อ ง, องกับเราเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแล้วก็ ไม่ยึดไม่ติดมันออมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรมีจะบาดเลือดจะไหลบ้างก็ไม่เป็นไรชีวิตเราก็ผ่านเรื่องแบบนี้มาผ่านแผลเนาะผ่านการเลือดไหลผ่านการเลือดหยุดผ่านการตกสะเก็ดผ่านการแผลหายอะไรต่างๆมานับครั้งไม่ท้วนแบบนี้นั่นนั่นคือออเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นนะเนาะเราก็เกี่ยวข้องอยังไงออนี่บาดแผลนี้ใหญ่นะแก้ไขเองไม่ได้ก็ไปหาหมอให้เย็บอย่างนี้อย่างนั้น เนี่ยตรงเนี้ยมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติอะไรม่นจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตก อ, อกตกใจอะไรให้มากมายเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆว่าถ้าเกิดเรามีเนาะก็เรียกว่ามีสติอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ใช่คนวิตกจริตเนาะไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่า ไม่ใช่คนที่ขาดสติเวลาที่เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราค่อยๆนะเรียนรู้ผ่านการที่เรารู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งสติที่มากขึ้นเนาะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเอาไว้อวดกับใครแต่ว่าสติที่มากขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้กับการกินการอยูนะ่การเกี่ยวข้องกับเรื่องาราวรอบๆตัวเรา ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพระเจ้าก็บอกนะเมื่อกี้เราก็สวดกันใช่ไหมเราปฏิบัติเนาะเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยเราก็จะได้ตรวจวัดเนะาะมาเออนี่เราปฏิบัติไปสมวันห้าวันแล้วทุกเราลดลงจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราตรงนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องตรวจวัดแบบนี้ใช่ไหม เราไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกเนี่ยเราก็จะต้องถามคนอื่นว่าโอ้เราปฏิบัติ ท, ทําไมเนี่ยปฏิบัติแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเรากําลังเขาเรียกว่าสงสัยเนาะ <c oughs> ความสงสัยตรงนี้ก็ทําให้เราทุกนะ <c oughs> ทุกคืออะไรทนไม่ได้ใช่ไหม ทุกข์คือความทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องไปถามนะไปถามครูบาอาจารย์บ้างอะไรต่างๆนานาเราเนี่ยเอ๊ะปฏิบัติแล้วจะได้อะไรปฏิบัตินี้แบบนี้ถูกหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนานาล่านี้ในขณะที่เราออกเสียงพูดเนาะบางทีเราก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะว่าการพูดนาะมันเหนื่อยแต่ว่าบางทีบาเวลาที่เราเห็นคนป่วยเนาะที่พูดไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยพูดทีหนึ่งก็หอบหายใจทีหนึ่งพูดทีหนึ่งก็หอบหายใจทีหนึ่ง ตรงเนี้ยเราก็จะพบว่าเอ้นี่เนาะไอการออกเสียงตรงนี้นะจริงๆมันก็ทําให้ร่างกายทุกเพิ่มขึ้นเะบางทีการปิดวาจาที่พวกเราเรียกว่าที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่ตรงนี้พวกเราก็อาจจะได้สังเกตเนาะในขณะที่เราไม่พูดเนาะบางทีเราก็มีสมาธิที่ดีขึ้นบางทีพอพูดปุ๊บเนี่ยสมาธิก็เสียไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมาธิที่เสียไป นอกจากในการพูดเนาะบางทีก็เปียนเบียนตัวเองเปลียดเบี่ยนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทําให้กายเราทุกข์มากขึ้นแต่ทํานองเดียวกันมันทําให้ใจเราทุกข์มากขึ้นด้วยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราก็ค่อยๆแยกนาะเรียกว่าแยกทุกข์ของกายแยกทุกข์ของใจอะไรต่างๆตรงเนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าบางทีกายไม่ทันรู้ทุกข์แต่ใจมันทุกข์ไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีในมหาสติปัฏฐานก็พูดอะไรก็ไม่รู้นะทำไมต้องรู้ว่าก้าวเดินไปข้างหน้าทำไมต้องรู้ว่าถอยมาข้างหลังมันไม่รู้อยู่หรืออะไรอย่างนี้นะเมื่อก่อนเวลาอ่านก็นึกอย่างที่อยู่ในใจทำไมจะต้องมารูด้วยว่าก้าวไปข้างหน้าทำไมจะต้องรู้ด้วยว่าก้าวมาข้างหลังก็รู้กับไม่รู้อันไหนดีกว่ากัน รู้ก็ทั้งดีกว่านะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะก้าวไปข้างหน้านะน้ำอยู่ข้างหน้าเราอาจจะเหยียบใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องก้าวไปข้างหลังเราอาจจะไม่ทันระวังหลุมร่องอะไต่างๆนา น, นาเหล่านี้เนั้นนั่นคือการรู้เราก็จะให้อันตรายก็จะไม่ตกทุกข์ได้ยากนั่นนั่นคือตรงเนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า เป็นเครื่องมือเนาะก็เรียกว่าในการที่เราจะเจริญสติใช้สติครั้งหนึ่งเนาะก็เรียกว่าทุกข์ภัยก็หมดไปครนะั้งหนึ่งใช้สติครั้งนึงทุกข์ภัยก็หมดไปครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแบบหลงพ่เทียนเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่เราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งในรูปแบบเนาะปฏิบัติได้ทั้งนอกรูปแบบอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราเองเราก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไปหาอะไรมากมายเนาะนุ่มพะเทียนก็ออกแบบเนาะเขาเรียกว่าการยกมือสิบสี่จังหวะให้แล้วอย่างนี้เนาะการเคลื่อนครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็มีระเบียบของเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเะมีการยกมือขึ้นเคลื่อนครั้งหนึ่งเมื่หยุดครั้งหนึ่งก็เป็นจังหวะหนึ่งเคลื่อนครั้งหนึ่งก็หยุดครั้งหนึ่งก็เป็นจังหวะหนึ่ง หลวงพ่อเตียนเขเริ่มจากที่เข่ามาจบที่ท้องนะก็เป็นครึ่งหนึ่งครึ่งยกอีกครั้งหนึ่งก็จากท้องกลับมาที่ข่าอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีกครึ่งยกซ้ายทีขวาทีหนึ่งก็ครบ14ท่าไม่ต้องมีอะไรมากมายตรงนั้นหลวงพ่อเตียนเขาเาเรียกว่าออกแบบให้หมดจดแล้วนะตรงเนี้ยเราก็ไม่ต้องคิดไปออกแบบท่าทางอะไรให้มันมากมายวุ่นวายไปอีก ความคิดของเราเนาะมันก็จะทําให้เรา ย, ยุาง่งยากแบบนี้จะดีหรือเปล่าแบบนั้นจะรู้สึกตัวกว่าหรือเปล่าในอะัต่านาตัวนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ไปทั้งหมดอย่างเนาะดังนั้นคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราตรงนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็ก็เรียกว่าก็ช่วยสรุปนะให้เราได้เดินตามพุทธเจ้าเองก็ช่วยสรุปให้เราเดินตามชีวิตเราก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นมากๆ ยังบอกว่าอืมธรรมะเนาะสิ่งที่เขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เนาะมันไม่มีตัวตนแบบเนี้ยเนาะอย่างนั้นเราลองลองดูเนาะมันมีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ไหมวความไม่เที่ยงคืออะไรความไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแล้วเนาะมีแล้วก็เรียกว่ามีแล้วหายไปเนาะความไม่เที่ยงตรงนี้พระธเจ้าบัญญัติเอาไว้อย่างนี้เนาะ มีแล้วหายไปมีอะไรบ้างที่ผ่านตาเราแล้วนะไม่เป็นแบบนั้นมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปตรงเนี้นยเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนอกตัวเราก็ดีในตัวเราก็ดีอย่างเงี้ยหรือว่าเรียกว่ามีความทุกข์นะใช่ไหมทุกข์เป็นยังไงทุกข์ก็คือสิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วดับไปใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมครัอบอาจารย์ตรงนี้เนาะก็เรียกว่าความทนอยู่ไม่ได้เนาะความทนอยู่แบบนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปความทนอยู่ไม่ได้แบบนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นน้ำแข็งก็ดีมันก็ทนอยู่เป็นก้อนๆ อ, อย่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องละลายไป ความที่เรานั่งสบายๆอยู่มันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้เนะมันเดี๋ยวมันก็เมื่อยไปความเมื่อยพอเราขยับไปเดี๋ยวมันก็หายไปตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนาะดับไปมีแล้วหายไปตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นทุกๆอย่างเนาะเราพิจารณาไม่มีอะไรที่มันคงอยู่เลยนั่นคือตรงนี้เนี่ยพอเราพิจารณาแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันไปยึดไปติดว่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอนจริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาเนาะพระพุทธเจ้าเองก็สรุปเนาะเขาเรียกว่าความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนให้เราเห็นตรงนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาตามพระพุทธเจ้านะสองสาอย่างที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยที่เกิดขึ้นเนาะ เรียกว่าในตัวเราจะเห็นธรรมชาติล้อมรอบตัวเราอยู่ในกฎนี้ทั้งหมดหนีไม่ได้เลี่ยงไม่ได้นั่นคือตรงนี้นะเขาเรียกว่าพอเราเห็นพวกนี้เห็นแล้วเราจะเกิดอะไรเห็นก็เกิดความเข้าใจเนาะใช่ไหมอย่างนั้นเห็นนัานๆโอ้มันเป็นอย่างงี้นี่เองพุทธเจ้าเนี่ยพูดเอาไว้อย่างนี้จริงๆนั่นคือตรงเนี้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเองนะเราค่อยๆนะค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ย เราเริ่มจากการดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นดูมนเมื่อไหร่นะเปิดตาดูแล้วก็จะเห็นนั่นเมื่อเมื่อเราเปิดที่เรียกว่าตาสติดูเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเห็นไปนานๆเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเข้าใจธรรมใช่ไหมเห็นไปนานๆเห็นครั้งแรกไม่มีทางเข้าใจเนาะแต่เห็นไปประมวลประมวลไปอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง มันเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าตรงนี้เนี่ยดูธรรมก็จะเห็นธรรมก็จะเข้าใจธรรมเมื่อเข้าใจธรรมก็รู้รู้จักเนาะเพนนี้มันมีเนาะก็เรียกว่าธรรมดำธรรมขาวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมพวกนี้ยังไงตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เรารู้เนาะ เราเข้าไปเกี่ยวข้องถูกต้องทุกก็ไม่ยุ่งกับเราหลวงพ่อคำเขียนก็จะบอกเนะบอกว่าพอเห็นก็ไม่เข้าไปเป็นเมื่อไม่เข้าไปเป็นก็ไม่ทุกเนี่ยนั่นนั้นคือตรงเนี้ยนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยทุกๆคนเนาะได้อาศัยความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเป็นตัวที่เราได้เจริญสติและท้ายสุดเนี่ยตัวสติเนี่ยก็จะกลับมาช่วยเราวันนี้เราจเจริญเขาเนเาะแต่วันหน้าพอเขาโตแล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ทุกเพราะฉะนั้นนั่นคือ ก็อยากให้พวกเราทุกคนนะได้อาศัยสติที่มีในตัวเราทุกคนตรงนี้เนี่ยมาทําให้เราเนี่ยเป็นเครื่องไม่ทุกข์อาศัยกายอาศัยใจที่เราอาศัยก็อยู่ทุกวันนี้เนี่ยตรงนี้เป็นเครื่องมือให้สติเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ตรงนี้เพื่อที่เราจะมาเป็นปัญญาพาให้เราพ้นจากทุกข์ด้วยกันทุกคนนะพวกเราก็กราบพระพร้อมกัน